ถ้าจิตมันจำได้นะจิตมันจำสภาวะของความโกรธได้พอความโกรธเกิดขึ้นนะสติจะเกิดเองจะระลึกรู้ว่าอ้อความโกรธเกิดขึ้นแล้วมีคาว่าแล้วนะคนไหนขี้โลภตามดูจิตโลภ บ, บ่อยๆพอโลภขึ้นมาแล้วก็หันรู้สึกหันรู้สึกอ๋อนี่โลภเป็นอย่างนี้นะโลภอย่างนี้นี่โลภอีกแล้วนะต่อไปพอจิตมันจาความโลภได้แม่นนะ พความโลภเกิดนะสติจ ะ, ะระลึกขึ้นได้นี่สติทาหน้าที่ะระลึกละระลึกได้ว่าอ้อความโลภเกิดขึ้นแล้วมีคำว่าแล้วอีกแล้วนะอย่างเราหัดคอยรู้สึกตัวใจแอบไปคิดคอยรู้ใจแอบไปคิดคอยรู้ใจลอยไปใจหนีไปคิดเรารู้บ่อยๆต่อไปจิตจำสภาวะที่จิตหนีไปคิดได้พอจิตหนีไปคิดปุ๊บสติจะเกิดเองเลยอ้อหลงไปแล้ว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 เห็นร่างกายที่หายใจออกเห็นร่างกายที่หายใจเข้าใครระลึกถึงเรื่อยๆต่อมาพอขาดสตินะ่าเกิดหายใจขึ้นมาสมมติว่าพอขาดสติล้โมโหขึ้นมานะจังหวะการหายใจจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนจังหวะการหายใจนิดเดียวเท่านะั้นสติะระลึกได้ถึงลมหายใจเนี่ยสติจ ะ, ะระลึกได้แล้วอ๋อตอนนี้ร่างกายหายใจเข้าแล้วอย่างแรงๆหายใจออกอย่างแรงๆนะ เวลามีกิเลสนะลมหายใจจะแรงขึ้นเวลากิเลสเบาบางลมหายใจจะประณีตละเอียดแต่ถ้าจิตสงบนะลมหายใจจะหายไปลูกศิษย์หลวงพ่อที่ภาวนาจนลมหายใจหายรนะู้สึกมีคนเดียวนะมีคุณดําเกิืองนอกนั้นไม่หายหรอกสติหายลมหายใจไม่หายสติหายไปก่อนคุณดําเกิงได้เคยเรียนอยู่กับเจ้าคุณนอ ชอบถามกรรมฐานท่านเี่าคุณเนาะถามท่านแล้วจะทำกระสินดีไหมท่านบอกกระสินมันกรรมฐานของคนโง่ท่านว่าอย่างงี้นะทำไมกระสินเป็นกรรมฐานคนโง่ไม่ต้องใช้สติปัญญาอะไรนะมีความเพลิดเพลินพอใจในอารมณ์มันเดียวไปก็พอละท่านเลยสอนคุณนำเกิืองให้ทำอนาปนาสติหายใจไปรู้สึกไปหายใจไปรู้สึกไป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 เป็นไปได้เหรอหายใจทางผิวหนังท่านบอกที่เยอรมันนะเขาทดสอบให้คนนั่งสมาธิแล้วก็เอาปูนพลาสเตอร์ทาให้เปียกๆน้ำนะทาทั่วตัวเลยอุดรูผิวหนังนะไอ้หนูทดลองตัวนี้คนที่นั่งสมาธิคนเนี้ยตายมันหายใจไม่ได้ท่านเล่าให้ฟัง นี่พวกเราไม่ถึงขนาดนั้นนะนะพวกเราสติหายก่อนลมลมยังอยู่นี่เวลาหายใจนะหายใจแล้วคอยรู้สึกไปนะเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าดูไกล ก, ก็ได้นะพอร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกนะหายใจสบายๆลมมันสบายๆ บ, บางทีก็เพลินไปลืมรู้สึก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 หรือยืนรู้สึกเดินรู้สึกนั่งรู้สึกนอนรู้สึกเนี่ยอิทธิบาทนะดูเวทนาก็มีความสุขก็รู้สึกมีความทุกข์ก็รู้สึกเฉยๆก็รู้สึกนะเวทนาในกายเกิดก็รู้สึกนะเวทนาในใจเกิดก็รู้สึกเนะเวทนาทางใจบางอย่างก็ต้องมีสิ่งมาเรา้ามีสิ่งมาย่วเวทนาบางอย่างไม่ต้องมีสิ่งมายั่วนะ เราก็คอยรู้สึกไปจิตจำเวทนาได้แม่นนะหลากหลายเพราะเวทนาอะไรเกิดตาเปสติเกิดเองเวทนาที่ดูง่ายต้องเวทนาหยับหยาบก่อนอย่างกายดูง่ายก็ต้องกา ย, ยหยับๆยบเนี่เช่นเปลี่ยนจังหวะหายใจนแรงขึ้นมายหยับๆยับดูง่ายอาศัยรู้ธรรมดานี่แหละพอมันเปลี่ยนจังหวะขึ้นมามันรู้รู้ได้ง่ายรู้ได้ชัดขึ้นมาดูเวทนาเหมือนกันนะนั่งรู้นั่งดูไปเรื่อย พอมันปวดมันเมื่อยขึ้นมานี่เป็นเมตนารุนแรงลดูง่ายนะบางคนก็หัดดูจิตดูใจดูจิตดูใจก็คอยสังเกตไปคนไหนใจลอยคนไหนฟุ้งซ่านเก่งนะดูจิตฟุ้งซ่านก็เห็นเลยจิตตะกี้ฟุ้งซ่านตรงนี้รู้ว่าฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านใหม่เดี๋ยวก็รู้ว่าฟุ้งซ่านมีสลับกันระหว่างฟุ้งซ่านกับรู้ว่าฟุ้งซ่านนะคนไหนขี้โมโหก็ดูจิตโมโหไป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 ได้นนท์ได้นี่อยากเป็นพระอรหันต์อยากได้โสดานะความอยากเกิดขึ้นราคะนั่นเองนะเดี๋ยวก็อยากได้สาวมาเป็นการมาราคะความอยากใดๆเกิดขึ้นตัณหากิเลสใดๆเกิดขึ้นนะราคะเกิดขึ้นรู้ทันจิตที่มีราคะก็จะดับเองเกิดจิตที่ไม่มีราคะขึ้นมาแทรกแวบหนึ่งจิตที่รู้ว่ามีราคะจะไม่มีราคะ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 ป, สสปรัชนาแปลว่าการเห็นอนุแปลว่าตามอนุไม่ได้แปลว่าเล็กนะอนุแปลได้หลายอย่างแปลว่าตามก็ได้อย่างอนุภรรยาภรยาที่มาทีหลังตามมาทีหลังไม่ใช่ภรยาตัวเล็กนะแต่อนุภรรยามักจะตัวเล็กกว่าอัคราภรยา <c oughs> ดูในการ์ตูนจะเห็นเมีหลวงต้องตัวใหญ่ๆอาวุธประจําตัวคือสากเบือ ถ้าใครเคยอ่านกระตุนถ้าเมียน้อยก็ต้องสโสดโ อ, องหน่แต่อนุภรรยาไม่ใช่แปลว่าภรยาตัวน้อยน้อยอนุภรยาคือภรยาที่มาทีหลังคําว่าน้องชายนะภาษาบาลีว่าอนุชาคําว่าชาคือความเกิดอนุชาคือผู้เกิดทีหลังนั้นอ น, อนุปัสนาแปลว่าการตามเห็นปัสนาคือการเห็ น, น, อ, หนอนุปัสนาก็คือตามเห็น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 ไม่คู่ควรกับสมถะและวิปัสสนานะจิต ท, ที่มีสตนะิแล้วก็มีสมาธิไปจอนิ่งๆอยู่กับอารมณ์ที่สติไประลึกอันนี้เป็นจิต ท, ที่เหมาะกับการทำสมถะถ้าจิตมีสตินะแต่ว่าจิตตั้งมั่นสักว่ารู้ว่าเห็นสภาวะนะอันนั้นถึงเป็นจิต ท, ที่เหมาะกับการทำวิปัสสนาครูบาอาจารย์แต่ก่อนเวลาสอนท่านจะสอนบอกว่าให้มีจิตเนี่ยนะเหมือนคนดูละคร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 พวกเราที่พลาดนะก็อยู่พลาดกันตรงที่ใจถลำนี่แหละเวลาดูท้องฟองยุบในะใจถลําไปอยู่ที่ท้องเป็นสมถนะพระใจไปแช่อยู่กับอารมณ์เดินจงกรมยกเท้ายั่งเท้าใจไหลไปอยู่ที่เท้าพุทโธนะนะใจไหลไปอยู่ในความคิดรู้ลมหายใจใจไหลไปอยู่ที่ลมขยับมือใจไหลไปอยู่ที่มือนี่สมถะทั้งหมดเลยดังนะนั้นถ้าเราต้องค่อยๆเรียนจนกระทั่งใจของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน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 สั้นๆเป็นคณิกะสมาธิไม่ใช่สมาธิแบบอัปนารูปัจจาระคณิกะสมาธิเนี่ยเพียงพอที่จะเดินวิปัสสนาให้เป็นพระอราหันต์ได้งั้นเราใครรู้สึกนะจิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้นี่สุดจะเกิดจิตรู้ที่ตั้งมั่นขึ้นมาเพรเราฝึกได้สองตัวแล้วเรมีสติระลึกรู้สภาวะโดยไม่ได้จงใจระลึกมีจิตที่ตั้งมั่นโดยไม่ได้บังคับเอาไว้บางคนตั้งโดยบังคับไว้ใช้ไม่ได้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 ความสุขเกิดขึ้นมามันไม่หายทันทีก็ได้นะมันค่อยๆจางจางลงไปแต่ความจริงมันเกิดดับพร้อมกับจิตเป็นดวงดวงยังแต่จิตดวงที่เกิดต่อจากดวงก่อนเนี่ยมัจับอารมณ์ต่อจากจิตดวงก่อนอยู่เพราะนั้นมันอย่างสุขอ้อยส้อย้อยเอิยงแต่ก็ค่อยๆลดระดับลงไปเรื่อยค่อยๆจางค่อยๆคลายเนี่ยตรงนี้เกิดจิตจํานวนมากนะแต่สืบเนื่องกันมีความสุขเหมือนกันแต่สุขเนค่อยลดลดดลง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 เพราะงั้นพระลหันก็ปวดขาได้นะปวดขาได้ไม่สบายก็ปวดน่นปวดนี่เจ็บน่นเจ็บนี่ได้ไม่ใช่ว่ามีสติเราต้องหายแต่ถ้ามีปีติเราจะหายคนละตัวนะถ้ามีสติไม่หาย ห, ายหรอกถ้ามีปีติอาจจะหายอย่างเรานั่งสมาธิไปปวดขาปางตายแล้วจิตรวมเข้าไปมีปีติให้มาเบิกบานเบานะแข้งขาที่ปวดนี่หายทันทีเลย เลือดลมนี้เดินสบายเหมือนเลือดวิ่งปกติเลยนะหายปุ๊บเลยโล่งตลอดขาเลยนี่มีปีติขึ้นมางั้นมีสตินะเวทนาทางกายไม่หายหรอกทุกข์ไม่หายหรอกทางกายแต่ถ้ามีปีติหายนะเวลาพระอรหันทร์ท่านเจ็บท่านป่วยที่ท่านฟังสวดโพชงให้คนนอนคนนี้มาสวดโพชงให้ฟังพระพุทธเจ้าเวลาอาพาธก็เคยเรียกพระมาสวดโพชงให้ฟังนะ พระมาหากัะสปะก็เคยฟังสวดโพธิชงฟังแล้วเกิดปีตินะเกิดทำมาปีติขึ้นมาหายเจ็บหายป่วยไดนะ้คนที่ฟังซีดีหลวงพ่อนะเกิดทำรรมาปีติขึ้นมาหายเจ็บหายป่วยได้เหมือนกันนะมีคนมาเล่าเรื่อยนะมีอยู่คนหนึ่งนะมีลิ่มอะไรอยู่ในสมองเป็นจุดนะสามจุดเมื่อวานนี้เพิ่งมาเล่าเล่าให้ไม่ชีฟังเรื่องอย่างนี้ไม่กล้าเล่าให้หลวงพ่อฟังหรอกเพราะไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติ เพราะมีก้อนอยู่สามก้อนรักษาอยู่หลายปีนะไม่หายเรากหมอก็ไม่รู้จะทำไงนะจะผ่าก็เรื่องใหญ่แกก็ปวดหัวมากเลยสุดท้ายาแกได้ซีดีหลวงพ่อไปแกก็ฟังพอแกฟังแล้วแกหลับไปเลยธรรมดาถ้าไม่กินยาแล้วไม่หลับนะังนั้นฟังซีดีหลวงพ่อมแสดงว่าเสียงเรานุ่มนวลมากฟังแล้วชวนหลับอัศจรรย์นนะฟังซีดีหลวงพ่อแล้วหลับนี่แทบไม่มีเลยนะไม่มีแต่ฟังแล้วเขตื่น รายนี้ก็หลับไปนะก็ตื่นขึ้นมาแล้วหัวก็โล่งเลยนะไปหาหมอนะหมอเช็คเช็คหน้าหายไปไม่มีอะไรเอินหมออีกคนหนึ่งมาเช็คนะด่าพยาบาลเลยด่าลูกน้องนะคุณรักษาเขาได้ไงรักษาผิดเนอะเขาไม่ได้เป็นโรคนีนะ้ไม่ได้มีก้อนอะไรในสมองเลยไปให้ยาชนิดนี้ทําไมหายไปบางคนความจําเสื่อมนะความจําเสื่อมฟังซีดีเราไปเรื่อย รู้เรื่องขึ้นมาก็มีนะอแต่ฟังไปเรื่อยๆจิตมันมีปีติขึ้นมาพวกเป็นมาลงมาเรลงทําท่าจะตายนะฟังๆแล้วอยู่รอดมาหลายปีเลยก็มีนะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะบางคนฟังแล้วก็เครียดเครียดนะแทนที่จะเกิดปีตินะฟังหลวงพ่อเทศแล้วเครียดมากกว่าเก่าอีกนะยิ่งฟังแล้วใอยจับผิดเทศไงบะเทศอะไรว้าไม่ถูกกันทําทไมวัดโน้นว่าอย่างนี้วัดนี้ว่า ง, งนวลฟังแล้วเครียดนะมาเลงกำเริบตายเร็วเลยนะ แต่ถ้ามีปีตินะบางทีเจ็บป่วยบางอย่างหายได้ด้วยปีตินะแต่มีสติไม่หายนะคนละเรื่องกันนะสตินะมีหน้าที่รู้สภาวะอย่างที่มันเป็นนะสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไป น, ะนี่อาศัยที่เรามีสตินี่แหละที่เกิดจากการรู้สภาวะบ่อยๆไนะด้จิตที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นคนดูไม่ถลําไปเหมือนเราดูละครเรื่อยๆ ละครถึงบทรักละครถึงบทโกรธละครถึงบทหลงอะไรเงี้ยละครถึงบทอิดช้าละครถึงบทกลัวดูละครละครแสดงอยู่ในใจเรานี่เองจิตใจมันแสดงละครตลอดเวลาแล้วมีสติตามดูดูละครไม่ยุ่งกับเขานะดูละครเนี่ยไม่แทรกแสงไม่ใช่ไปคอยบอกตัวละครว่าเฮ้ยตัวโกรธออกมานานแล้วเข้าลงได้สักทีอะไไม่ต้องบอกนะนี่เราใครรู้การแสดงละครในใจเรานี่รู้ไปเรื่อย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 ม่นจะทํางานอัตโนมัตินะมันจะเห็นกายเห็นใจทํางานไปจะเห็นไตรลักษณ์จำไว้อย่างหนึ่งนะวิปัสนาไม่ใช่การเห็นกายเห็นใจนะวิปัสนาไม่ใช่แค่การรู้กายรู้ใจวิปัสนาคือการเห็นว่ากายก็เป็นไตรลักษณ์ใจก็เป็นไตรลักษณ์เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจถึงจะเรียกว่าวิปัสนาจําตรงนี้ไว้นะตัวนี้สําคัญถ้าแค่เห็นร่างกายขยับมือจะหยิบขวดน้ำนะรู้มือตลอดเลยมีสติอยู่ที่มือตลอดเลย ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีปัญญามีสตินะแต่ไม่มีปัญญาใจทื่อๆทื่อๆถ้ามีปัญญานี้จะเห็นรูปไหว่าปั๊บปรูปแต่ละรูปไม่ใช่เราเลยร่างกายรู้ทั้งตัวนะไม่ใช่รู้แต่มือนะรู้แต่มือจิตถลำไปแล้วรู้สบายๆมาเห็นร่างกายทั้งตัวนี่แหละที่เค ล, เลื่อนไหวเค ล, เลื่อนไหวบางส่วนหรือเค ล, เลื่อนไหวทั้งตัวก็ได้แต่จะเห็นในตัวที่เค ล, เลื่อนไหวอ ย, อยู่นี่ไม่ใช่เราเหรอกเป็นวัตถุเป็นกาอนธาตุที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่นี่แหละเรื่องว่าการเจริญมีปััสนา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 ก็ต้องดูเข้ามาที่ตัวเองอย่าให้เกินกายเกินใจของตัวเองออกไปนะนี่ฝึกอยู่อย่างนี้นะเรามากผลมันจะเกิดไม่ใช่เกิดเพราะว่าไปนั่งหลับหูหลับตาอะไรอยู่หรอกเอชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับนิมนต์